เมื่อสองเดือนก่อนอาตมาได้มีโอกาสนะไปอบรมแล้วก็แสดงธรรมนะทางยุโรปนะช่วงที่อยู่ประเทศฮอลแลนด์นะก็ได้มีโอกาสไปอบรมนะที่วัดไทยแห่งหนึ่งอยู่ใกล้ๆพรมแดนที่ติด ก, กับประเทศเยอรมันเวลาเรานึกถึงวัดไทยเนี่ยเวลาพูดถึงวัดไทยก็จจะนึกถึงอาคารที่มี ลายกะหนกหรือว่ามีโบสเป็นจัวนะแต่ ว, วัดนี้นี่แปลกนะเพราะว่ารูปร่างภายนอกนี่เป็นโบสคริสนะเพียงแต่ไม่มีสัญลักษณ์ไม้กางเขนอยู่บนอยอดหลังคาเท่านั้นเองหรืออยู่บนยอดหอคอยก็คือเดิมก็เป็นโบสคริสนั่นะแหละนะแต่ตอนหลังไม่ค่อยมีคนเข้าโบสนะ เมื่อไม่มีคนเข้าโบสนะเงินหรือปัจจัยนะที่จะใช้นะในการดูแลมก็ไม่มีก็ต้องขายไม่ทราบว่าภาษีที่นั่นนะสูงหรือเปล่านะสำหรับโบสชาวพุทธเราที่นั่นก็มีพอสมควรนะก็เรียรายกันนะสามารถที่จะซื้อโบสก็อยู่กันได้แบบสบายนะเพราะว่าทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะแต่ว่า จะว่าพร้อมหมดแล้วก็ไม่เชิงนะเพราะว่าพอพระเข้าไปอยู่นี่ก็ต้องเรียกว่าซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงกันมากมายใช้เวลาหลายเดือนนะพระทำกันเองนะก็ฝีมือดีทีเดียวก็มีพระอยู่ประมาณสี่ห้ารูปในยุโรปนะมีวัดหลายวัดทีเดียวนะที่เป็นวัดทางพุทธศาสนาของไทยเนี่ยไปซื้อโบสถ์นะ บทเก่าจากาศาสนาคริสต์ในอเมริกาก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นง่ายคิดนะว่ า, าศาสนาหรือความนับถือในาศาสนานี่มันก็เปลี่ยนแปลงกันได้มากย้อนถอยหลังไปเมื่อสัก400ปีก่อนเนี่ยยุโรปเนี่ยรวมทั้งในฮอลแลนด์ด้วยนยมันมีการต่อสู้รบพุองกันเพราะเหตุผลทางาศาสนา อย่างยืดเยื้อยาวนานนะระหว่างศาสนาคริสติกายโรมันคาทอลิกกับศาสนาคริสติกายโปรเสตสแตนนะในฮอนแลนด์เนี่ยเดิมนี่ก็นับถือศาสนาคริสติกายโรมันคาทอลิกตอนหลังก็มีคนที่มานับถือศาสนาแบบโปรเสตสแตนนะพวกนี้ก็อยู่ลำบากนะก็ถูกเผาทั้งเป็นก็เยอะนะถูกเผาทั้งเป็น เพราะว่าถือว่าเป็นพวกนอกกรีนเขาก็สู้นะตอนหลังพอพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ของทางฮอลแลนด์เขามานับถือโปรเตตโปรเตสตเนี่ยนะก็ถูกทางฝ่ายคาทาเลกเนี่ยกรีธาทัพเข้ามาอย่างสเปนเนี่ยเขามาบุกเข้ามาถล่มเลยนะฮอลแลนด์ land, เขาก็สู้นะสู้กันอย่างยืดเยื้อยาวนานอย่างที่ว่าจนกระทั่งในสุดก็สามารถจะ นับถือศาสนาโปรเสตสแตนได้ตามตามใจชอบนะคือไม่ต้องถูกบีบคั้นเพราะว่าอิทธิพลของศาสนาคาทอลิกก็ลดน้อยถอยลงไปอยู่ทางใต้ยุโรปใต้เนี่ยก็ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคาทอลิกนะเรียกสั้นๆส่วนทางเหนือเนี่ยก็เป็นโปรเสตสแตนฮอลแลนด์เนี่ยนะเาก็คนที่นับถือโปรเสตสแตนเขาก็สามารถนับถือได้อย่างอิสระและไม่ต้องกลัวถูก จับเข้าคุกถูกทรมานหรือว่าถูกเผาทั้งเป็นกว่าจะได้อิสระภาพในการนับถือศาสนาโปรเสตสแตนต์นี่ก็เรียกว่าตายกันไปเป็นเบื่อเลยนะสู้รบกันยืดเยื้อยาวนานหลายร้อยปีเป็นร้อยปีแต่ว่าพอได้นับถือศาสนาตามอิสระแล้วนะอย่างอิสระแล้วปรากฏว่าวันดีคืนดีคนรุ่นหลังก็ละทิ้งศาสนานะ คนไม่เข้าวัดคนไม่เข้าโบสถนะ์อันนี้มันก็พิจารณาดูก็น่าสังเวชใจนะเพราะว่าศาสนาที่ตัวเองที่รุ่นปู่รุ่นยา่ารุ่นบนรรพบุรุษนี่ยอมอุทิศชีวิตเนี่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งการนับถือศาสนาก็ถือว่าเป็นสิ่งมีค่านะยอมตายได้แต่ว่าพอมาถึงคนรุ่นนี้นะหรือว่ารุ่นหลังๆเขาก็ไม่สนใจแล้ว เหมือนก็ว่าไม่มีความหมายสําหรับเขาไม่เข้าวัดแล้วก็หันไปนับถือ อ, อย่างอื่นแทนนะตอนหลังก็มีศาสนาอื่นมาแทนนะศาสนาหนึ่งที่คนนับถือมากก็คือศาสนาชาตินิยมนะชาตินิยมเนี่ยก็ถือเป็นศาสนาหนึ่งนะแต่เป็นศาสนาทางโลกนะเขาเรียกว่าเซคูร่าลิลิเจนแต่ก่อนยอมตายเพื่อศาสนาตอนหลังก็ยอมตายเพื่อชาติได้ นะแล้วตอนหลังก็มีาศาสนาใหม่ที่มามาแรงกว่าคือาศาสนาบริพนิยมนะาศาสนาบริพนิยมนี่คนก็นับถือมากนะอันนี้พอคนไม่นับถือาศาสนาโปรเสตสแตน์นนะก็วัดก็ไม่มีคนเข้านะเป็นอย่างนี้นะในหลายประเทศนะที่นับถือโปรเสตสแตนเยอรมันก็เหมือนกันนะวัดไทยในเยอรมันก็หลายวัดก็ซื้อ นะอาคารจากบทเก่าอันนี้ก็ก็เป็นทั้งแง่ดีนะก็คือว่าพุทธศาสนาก็ได้แพร่ขยายมากขึ้นแต่ที่จริงไม่ได้แพร่ขยายเพราะว่าคนฝรั่งเขาหันมานับถือศาสนาพุทธนะที่นับถือศาสนาพุทธก็มีพอสมควรแต่ที่มีวัดไทยมีวัดพุทธมากขึ้นนะในเยอรมันเนี่ยก็เพราะคนไทยนี่ไปอยู่กันเยอะนะ แล้วคนไทยที่ไปอยู่ในยุโรปส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงนะเยอรมันก็อยู่กันหลายหมื่นคนนะสวิสก็ประมาณ 30,000 ่นคนฮอลแลนด์ก็สอสามหมื่นคนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะเพราะว่าไปแต่งงานนะกับคนท้องถิ่นที่นั่นก็น่าสนใจน ะ, ะคนไทยที่ไปอยู่ในยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่คารถือาศาสนาโปรเตสแตน เช่นฮอลแลนด์เยอรมันนะแล้วก็สวิสนะแต่ถ้าเป็นประเทศที่นับถือาศาสนาคาทอลิกนะ เ, เนี่ยเช่นสเปนอิตาลีเนี่ยโปรตุเกสเนี่ยคนไทยน้อยมากไปที่สเปนนี่คนไทยก็มีเป็นเรือนร้อยเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นการสร้างวัดไทยที่นั่นหรือว่าการจะมีวัดพุทธศาสนาะที่นั่นก็เลยยากนะเพราะคนน้อยนะ อันนี้ก็น่าคิดนะว่าทำไมาศาสนาโปรเสตสแตนต์ประเทศที่มีนับถือาศาสนาโปรเตสแตนต์นีน่คนไทยไปอยู่เยอะาศาสนาประเทศที่นับถือาศาสนาคาทอลิกคนไทยไปอยู่น้อยนะเหตุผลนึงก็อาจจะเป็นเพราะว่าประเทศยุโรปที่นับถือโปรเสตสแตนต์นี่เขารวยนะรวยเขามีเศรษฐกิจดีนะคนไทยที่ไหนเศรษฐกิจดีก็ไปที่นั่นแหละนะสเปนอิตาลีนี่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนไทยก็ไม่ค่อยไปเนะพระเราไปเพื่อไปทํามาหากิน นะพอคนไทยไปเยอรมันไปฮอลแลนด์ไปสวิสก็ก็เจอคู่นะก็แต่งงานก็เลยอยู่กันเป็นหมื่นพออยู่กันเป็นหมื่นแล้วก็ต้องการวัดนะก็ขนขวายหาวัดสร้างวัดขึ้นมาเพราะว่าในเบอร์ลินเนี่ยวัดนี้ก็เป็นเป็นหวัดได้นะเฉพาะว่าวัดพุทธที่มาจากเมืองไทยนะในแฟรงเฟิร์ดนี่ก็10วัดรวมทั้งหมดในเยอรมันนี่วัดไทยนะ ประมาณ50วัได้ไม่น้อยเลยนะแต่ถ้าเป็นอเมริกานี่ก็เป็นร้อยวัดนะแต่ว่าที่ไปที่ไปวัดส่วนใหญ่ก็ไปเพื่อทำบุญตามประเพณนีนะที่จะไปไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมหรือว่าไปเจริญสมาธิภาวนาก็น้อยจริงๆถ้าหากว่ามีพระที่สอนเรื่องนี้มากเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะ คนไทยนยีที่จะไปทําสมาธิภาวนาเยอะนะฝรั่งก็<ๆ>ก็สนใจก็จะไปทําสมาธิภาวนามากขึ้นอย่างวัดไทยที่เซนหลุยอเมริกาเนี่ยสมัยที่หลวงพ่อมหาไหลอยู่ยท่านก็สอนเรื่องการเจริญสตินีมน่มลหลวงพ่อเขียนไปก็มีฝรั่งสนใจกันหลายคนฝนะรั่งตอนนี้ก็โหยหาเนะีเรื่องของสมาธิถึงแม้เขาจะไม่มีศาสนานะแต่ว่าเขาก็ยังสแสวงหา นะความสุขทางจิตใจอยู่เรียกว่ายังมีความต้องการทางจิตวิญญาณนะถ้าหากหาจากศาสนาคริสต์ไม่ได้เขาก็ไปหาจากที่อื่นบางทีก็ไปหาจากบริพนิยมเพราะคิดว่ามันจะเติมเต็มจิตใจเขาได้แต่ส่วนใหญ่ก็พบว่าจิตใจก็ยิ่งว่างเปล่ามากขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าพุทธศาสนาเนี่ยในยุโรปเนี่ยสอนเรื่องนี้นะเรื่องสมาธิภาวนาเขาก็จะเข้าหากันแต่ถ้าไม่สอนหรือว่า มีแต่เรื่องของพิธีกรรมนะก็จะค่อยๆโรยลาไปเรื่อยๆมันก็ที่าศาสนาคริสต์นะซึ่งตอนหลังก็เป็นเน้นเรื่องพิธีกรรมเรื่องรูปแบบมากคนก็เลยเสื่อมศรัทธานะละทิ้งาศาสนาละทิ้งโบสถ์เมืองไทยนะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้ถ้าไม่ถ้าไม่ระมัดระวังน ะ, ะแล้วก็ฝากไว้เป็นข้ อ, ขอคิดทันนี้เตรียม